วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันแรม14บ่ําเดือน9เป็นวันพระเดือน9้าดับเป็นวันข้าวประดับดินของพี่น้องชาวอีสานเหนือของพวกเราวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถแต่เช้ามืด ตอนนี้ไปพวกเราก็คงจะได้เตรียมตัวไปที่ศาลาแล้วก็คงจะบิดทบาทรอบศาลานะพระลูกพระหลานเนาะเราเพึ่งลงโบสถเสร็จขณะ น, นี้แล้วก็หลวงพ่อเป็นห่วงเหมือนกันพราะนานๆทีเราจะได้ลงอโบสถแต่เช้ากลัวพระลูกหลานจะมาไม่พร้อมกันทำไมจึงเน้นเรื่องพระให้มาพร้อมกันเพราะเป็นสังฆ ก, กรรมนะ พระลูกพระหลานต้องจำเอาไว้ถ้าหากว่าพระไม่มาพร้อมกันในสีมาเดียวกันคือวัดเดียวกันที่จะบรรษาร่วมกันถึงองค์หนึ่งไม่มาก็ต้องคอยกันถ้าไม่มาองค์นั้นแปลว่ายกเลิกกันเลยปฏิโมกในช่วงนั้นต้องหาเวลาใหม่อีกจะลงพังพรางไปก่อนรด้ลงไปเลยโดยที่ว่าองค์นั้นยังไมมาเนี่ยลงรอกันลงรอกันไปนะลงไป เพื่อชะลององค์นั้นไม่มาองค์เดียวไม่เป็นไรเพราะพวกเรามีมากกว่าไม่ได้ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ในสีมาเดียวกันต้องมาพร้อมกันลงบัวสถถ้าไม่มาพร้อมกันถ้าลงไปแล้วก็ไม่เป็นอันลงปราประบัตทุกกฎอีกเพราะท่านต้องการให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีในสงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงย้ําแล้วย้ําอีกให้มาพร้อมกันเนาะ ถ้าไม่มาพร้อมกันแปลว่าโวตสุดทำสังฆกรรมไปแล้วไม่เป็นอันทำทางว่าทำไปพังพลางก่อนปรับอัมบัตทุกกฎแก่พระจำนวนที่ทำไปก่อนเป็นขนาดนั้นอีกนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นย้ำพระลูกหลานลูกทุกองค์ให้มาพร้อมกันแต่วันนี้ก็ได้มาพร้อมกันหลวงพ่อเห็นแล้วก็อเออดี ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยตามแนวแถวแต่ถ้าว่าบวชพระถ้าบวชพระเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเราจะมนิมนต์กี่องค์นิมนต์สบองค์เถวเนี้ต้อง10บองค์ขึ้นไปนะต้อง10บองค์ขึ้นไปรวมทั้งหมดทั้งพระอุปชาด้วยถ้ามากกว่านั้นได้ถ้าต่ำกว่านั้น่ะไม่ได้ถ้าว่าพระถ้ามายพระมีน้อย หองค์ก็ได้แต่เมืองไทยของเราขณะนี้ต้องสิบองค์ขึ้นไปเพราะนั้นต้องนิมนต์พระมานั่งหัตถบาตสิบองค์จํานวนที่เหลือสมมุติว่าพระของในวัดของสี่สิบองค์เนี่หสี่สบหกองสี่สบเจ็องค์อย่างวันนี้เราจะทํำยังไงแต่เอามาเพียงสิบองค์มานั่งหัตถบาตแต่จํานวนที่เหลืออย่าเข้ามาในเขต พิสุขามซิมาวิสุขามซิม า, า ม, มาที่แล้วปักหลักเนะี่ยเห็นไหมทางหนึ่งแปดสิเมตรทางหนึ่งสี่สิบเมตรนะที่ต่อหน้าของเราเนะนี่ยสรุมแล้วกนะันนี่ยเนื้อที่อันนี้คือปักหลักวิสุสขามซิมาห้ามพระไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใกล้ห้ามไม่ให้มาเพ่นผ่านในหลักวิสุขามซิมาให้อยู่นอก ถ้าว่ากมาก็ต้อง come มานั่งเลยจะมารอบๆมองๆจบๆมองๆแปลว่าผลที่สุดก็เอามาเรื่องราวที่ไม่ชัดเจนเอาไปกล่าวไปขานกันพระในครั้งพระพุทธเจ้ามีท่านจึงไม่ให้มาใกล้เพ่นพ่าดในเขตวิสูงคามซิมาทามาก็ให้มานั่งเลยในหัตถบาดเลยถ้าหากว่าไม่มานั่งให้ออกไปห่าง อย่ามาอยู่เพ่นผ่านแถวนี้นะอันนี้ก็คือสังกกรรมบวชพระนะสิบองค์ขึ้นไปแต่พระปฏิโมกก็อย่างที่หลวงพ่อพูดพระที่จำบรรษาด้วยกันในสิบมานี้ต้องมาด้วยกันทุกองค์ขาดองค์หนึ่งอ ง, องค์ใดองหนึ่งไม่ได้ถ้าป่วยล่ะนะถ้าป่วยองไหนป่วยก็บอกกับพระหมู่เพื่อนว่าผมป่วยผมไปลงโบสถไม่ได้ครับอาการผมหนัก ผมนั่งแบ้วหมุบผมจุเวียนศีสับผมจะเป็นลมครับองค์นั้นพระอได้ยินแล้วก็มาแจ้งต่อสงบอกว่าพระองค์นั้นท่านไม่สบายท่านไม่ได้ลงอุโบสถท่านมอบฉันทะมาแล้วบอกมาแล้วท่านมาไม่ได้ครับเออเอาสงทางไหนก็นรับรู้รับทราบ พ, พอลงอุโบสถแล้วเสร็จแล้วอย่างนี้แหละสงต้องสี่องนะต้องไปบอกไป บอกปริสุทธิองค์ที่ป่วยเนะเดินไปบอกให้องค์นั้นบอกปริสุทธินะพอแสดงอาบัตจบแล้วก็บอกปริสุทธโธห่างอ่างพันเตปริสุทธโธติมังสังโคทาเรตตทาเรทเรตนะผมขอบอกกล่าวความบริสุทธิในสงสงทั้งสี่องค์เมื่อได้รับจากองค์นั้นแล้วกลับมาเข้ามากข้มา บอกมาถามกลางสงว่าองค์นั้นได้บอกบิสุท์แล้วแนะปลว่าทำถูกต้องตามหลักสามีจีกรรมอันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้านะไม่ให้ปล่อยปาละเลยนะทางองค์นั้นไม่มาแต่องค์หลงตามหาหมูท่านบอกว่าถ้าหากว่าองค์ที่ไปบอกบิสุดที่เลิกกันไปเลยไม่น่าจะถูกท่านวัน เพราะว่าสงมอบไปสงมอบไปให้บอกพริะฤาษีในเมื่อสงสีองค์นี้ไปองค์นั้นบอกพริสุทธิเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกลับมาถึงสงสัก่อนยังค่อยเลิกลากันมันจึงจะถูกนั่นว่านะเพราะสงมอบไปแ ล, แล้วก็กลับมาก็ต้องแจ้งต่อสงสงรู้รับรู้ในบอกพริสุทธิเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้คือองค์หลวงตาที่ท่านให้ความเห็นนะอันนี้ก็ฟังฟังเอาไว้นะอันนี้ก็คือพระวินัยแต่ถ้าว่าเป็นพระภิกษุเป็นอาบัติสังฆาทิเศษเทนีเ่เมื่ออับพาณนนะิต้องยี่สิบองค์ขึ้นไปตั้งอยู่ในสีหมามันกันสวดอับพาณิฯยี่สิบอ็ทั้งองค์ที่เป็นอาบัตินะอันนั้นสวดประกาศ อ, าอันนั้นแปลว่าไม่ให้หย่อน ถ้ามากกว่านั้นได้ต่ำกว่านั้นไม่ได้อันนี้คือสังฆกรรมแต่พวกกรถิน่นกรถินนี่กัสังฆกรรมอีกเหมือนกันแต่พระผพระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปรับกระถิน่นแต่หลวงพ่อตก่อนบนคงพ่อว่าห้ารูปแต่ไปดูในพระวินัยปิฎกพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนหลวงพ่อไปดูเออกันกระพูด อธิบายให้ฟังว่าตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปรับกระถินหนะลวงพ่อก็เลยแต่ก่อนม่แต่ว่าห้ารูปนะแต่ตามไม่จริงพระบาลีหนะ้ารูปอาจจะเป็นอัตถกถฐาก็ได้นะอันนี้ก็คือพระวิ น, นัยการทำสังฆกรรมอุโบสถแต่ว่าปวารณานี่ยปวารณานี่ก็ต้องพร้อมกันอีกเหมือนกันนะถ้าว่าพระสงฆ์ใน สีมาเดียวเดียวกันเน่ยมาหมดนะต้องกล่าวารณาเป็นองค์ไปตั้งแต่หลวงพ่อนะลงไปองค์ถึงองค์สุดท้ายถ้าไม่มาถ้าไม่มาองค์นั้นก็ต้องป่วยหนักนะก็ต้องบอกออต้องบอกมาให้ผนมะบอกว่าผมไปไม่ได้แต่นั้นสีองค์นั้นก็ต้องไปไปก็ต้ององค์นั้นก็ต้องประวรณาในสงอีกคาว่าสงคำนี้คือสีองค์ขึ้นไปนะนะถ้าสามองค์เนี่ยบอกบุคคล บุคคลถ้าสององค์เนี่ยกับุคคลเหมือนกันพู้องค์หนึ่งสององค์สองค์เป็นบุคคลถ้าสองค์ขึ้นไปต้องสงสงต้องคณะสงค์คือสองค์ขึ้นไปที่เป็นคณะสงฆ์ถ้าไม่ลงอุโบสถพระสี่องค์อยู่ด้วยกันไม่ลงอุโบสถปรับอบัตทุกกฎถ้าไม่ลงอุโบสถท่าสวดไม่ได้ให้ไปที่อื่น ถ้าหากว่าไม่ไปอยู่ที่อื่นไม่ไปไปไ ป, ไปลงที่อื่นไม่ได้ไม่มีที่ลงต้องแยกกันเจกาอนใกล้วันุโมงศกกดนะอต้องไปบอกปริสุทธติต่างองค์ต่างบอกเก่อนอนแต่มากลับมาค้อยกลับมาอยู่ถ้าขืนอยู่ด้วยกันไม่สวดพระพระปฏิโมกเนี่ยปราบอวบัตทุกกฎนะนี่แหละพระปฏิโมกเนี่ยจําเป็นสําคัญเหมือนกันนะสําหรับพระน้อยพระหนุ่ม าการอยู่ด้วยกันมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถ้าเราไปอยู่กับหมู่กับเพื่อนกูบาอาจารย์ถ้ามีปฏิโมกเนี่ยมันก็ยากอย่างที่ว่านะั่นนะต้องไปลงที่อื่นหรือในบนพระองค์อื่นมาที่วัดของเรามาสวดปฏิโมกนะถ้าไม่ลงไม่ได้ปรับโทษนนี่แหละอันนีเ้เกี่ยวกับพิ น, นัย่ว่าสังฆกรรมเกี่ยวกับสง ปวารณาเนี่ยก็นี่แหละต้องไปวัดปวารณาในสง์สีองค์กมาแจ้งข่าวอีกเหมือนกันอันนี้คือพระวินยัยเพราะนั้นขอให้พวกเราที่จะเป็นผู้ใหญ่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าให้ฟังเอาไว้นะที่หลวงพ่อพูดไปนี้ให้พวกเราพวกเราไปศึกษาอีกในวินัยมุกในวินัยมุกเล่มสามนและนะ ใครเขาว่าเรื่องสังฆกรรมเรื่องอุโบสถเรื่องอุโบสถเรื่องสังฆกรรมอยู่ในวินัยมุกเล่มสาแต่วินัยมุตมุกเล่มสองเนี่ยเกี่ยวกับวัดข้อวัดปฏิบัติขันทวัดเวชวัดอะไรอาจารยวัดอุปชัยวัดเนีเกี่ยวกับข้อวัดชีวิตประจําวันแต่วินัยมุกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับศีลสองิบเจ็ด อย่างที่พวกเราสวดจบหลงสักครูเนี่ยนะอันนี้คือพระวินยัยหรือเกี่ยวกับนวโกวาทก็ได้ถ้าย่อเนี่ยคือนวโกวาดถ้าจะอธิบายให้ยาวให้เข้าใจมากกว่านาวโกวาดคือวินัยมุกเล่มหนึ่งวินัยมุกเล่มสองอันนั้นเกี่ยวกับกิ จ, จวัตรข้อวัดเรื่องนไสัยเรื่องปัดกวาทําทความสะอาดโดยมากจะเป็นเกี่ยวกับ สินอภิสมาจารา์คือสินนอกพระปฏิโมกเป็นอับถกกดจะมากกว่าละกถุนละใจห่างๆป่าจิตตีบ้างแต่เป็นสินนอกพระปฏิโมกแต่สินในพระพระปฏิโมก ค, คือนวโกวาดกวินัยมุกเล่มหนึ่งอันนี้พวกเราศึกษานะวินยัยวินัยของพระให้ศึกษามใไซว่าได้ยินจากหลวงพ่อ แห่งเดียวต่านี้ไม่พอเราต้องศึกษาแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เน้นหนักเพราะเหตุอะไรยังไม่เน้นหนักเพราะมีตำรับตําราอยู่แล้วพวกเราอยากจะรู้เราก็ต้องค้นคว้าศึกษาเรื่องวินยัยไม่ใช่ว่าจะจับจิบยื่นให้ทุกสิกขาบทวินัยไม่ใช่หลวงพ่อเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกค้นแล้วค้นอีกเรื่องวินยัยเห็นไหมเรื่องอย่างธรรมเทศนาก็เหมือนกัน หลวงพ่อมีบวนเทพครูบาอาจารย์ไม่รู้เป็นติกตักกตักที่ขนออกมาเห็นไห ม, มนเมื่อวานนี่แหละหลวงพ่อฟังเกือบทั้งหมดธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นองค์ของหลวงตามาหาบัว น, นี่แหละมากมายขนาดท่านพาลูกพาลานให้การศึกษาปริยัตินะปริยัติเนี่ยอย่าให้ขาดตกปกพ่องถึงเราจะเป็นพระป่าพระอง์ก็จริงอยู่ เราไม่ได้สอบในชั้นในภูมิไม่ได้ชอบเอาขันเอาภูมิก็ก็จริงแต่พระวินัยหรือศีลและวินัยหรือรปัจไตรปิฎกเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาค้นคว้านะถึงอย่างไรท่านที่ท่านเรียนป ร, ริยัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในปัจไตรปิฎกทั้งหมดนี่แหละไม่นอกเหนือจากนี้ถ้าว่าพวกเราใส่ใจ ในการเรียนในการค้นคว้าศึกษาถึงจะไม่ได้สอบเอาชั้นเอาภมเราก็รู้ว่ากดและเปรียบวินยัยทมวินัยเป็นยังไงความเป็นมาของพุทธศาสนาเป็นยังไงปริยัตปฏิบัตปฏิเวทเป็นยังไงพระสูตรพระวินยัยพระพระอภิธรรมเป็นยังไงเราก็รู้แนวทางในการแนะนำสั่งสอนถึงจะไม่รู้ ทั้งบดรู้ชัดเจนเราก็รู้แนวทางวิธีการปฏิบัติหรือว่าแนวทางที่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์อะไรเราก็จะได้รู้อย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้กันอันนี้ก็คือปริยัตเหมือนกันถึงพวกเราได้ยินอย่างนี้คือปริยัตคือเรียนรู้ อที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแต่พวกเราอยกจะให้เข้าใจยืนยันเอกในพระไตรปิฎกอีกพวกเราก็ไปค้นคว้าเด็กจริงไหมเรื่องที่หลวงพ่อของเราของเราพูดให้ฟังเนี่ยในพระวินัยจุดนี้เนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยนะเราก็ไปค้นคว้าอีกนะถ้าค้นคว้าแล้วก็อออืเถ้าไม่ถ้ามันผิดนะมันผิดตรงไหน อ, อพวกเราอาจจะมาหาหลวงพ่ออีกก็ได้เหลวงพ่อพูด พระพินายผมไปอ่านดูแล้วตรงนี้นะหลวงพ่อพูดวันนั้นะเออไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อครับอหลวงพ่อพร้อมที่จะฟังพวกเราอีกเหมือนกันเนะพราะความรู้ตัวเนี้เรื่องกฎหมายนะมันไม่อยู่กับผู้ใดอยู่กับความจําของของท่านผู้นั้นเองความแม่นยําของท่านผู้นั้นเองอันนี้คือหลักพระวิ น, นัยเหมือนกับหลักกฎหมายอย่างนั้นอนะ่ะ ผู้ชนานนาํานาญกฎหมายก็ไปบอกผู้จําดีความจําของเขาดีมากพูดอะไรขึ้นมาอ่านตัวไหนมาตราที่เท่าไหร่ทวิที่เท่าไหร่เขาจําได้หมดอนี่ก็เหมือนกันวินัยของพระน ะ, ะมันไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดอ่านได้เข้าใจได้จดจดํานะ ไ, จ ไ, ดนะจได้แล้วก็นะํามาประพูดปฏิ บ, บัตินงไม่ใช่จําได้เฉยๆนะแต่จําได้แล้วก็นทําไปสเปเรละไม เารในศินสิกขาบทวินยัย เ, เพียงแต่สักวารู้เฉยๆแต่ไม่เขารบาทำไปเรื่อยอไม่รักษาศินและวินยัยอันนั้นใช้ไม่ได้เลเทะแย่มากแปลว่าเป็นพระไม่มีฮิลิโอตตะปะเป็นอารัชนะีรู้แล้วขืนทาอันนั้นแปลว่าพระอรัชนะีพระไม่มีอย่างอายทั้งที่รู้แล้วพระวินัยอย่างนี้แต่ตัวเองไปกลับไปทำ ทังที่เรียนรู้แล้วนะอันนี้หน้าตําหนิอย่างมากนะเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายอันนี้คือวิในของพระแต่หลวงพ่อประเด็นเน้นหนักอย่างที่ว่าเพราะว่าให้หนักเป็นหน้าที่ของพระลูกพระหลานพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะยึดจะเป็นพระประจําเรือว่าเป็นนักมวยอาชีพใคล้าว่าเป็นผู้อยู่ในพุทธศาสนาตลอดไป ควรจะศึกษาเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับวินยัยตั้งแต่ศินพระปฏิโมกศ์สินอภิชฌาจารย์หรือกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าห้ามหรือว่าอ่านในพระ ส, สูตรความเป็นมาของยุคสมัยรลางพุทธกาลพระพุทธเจ้าอยู่ยงไงตรัสกับพระสงฆ์อย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อด้ยินทำคาสอนและปฏิบัติตนอย่างไร แต่ว่าน่าเคารพนับถือเรื่องใส่นะพระในครั้งพุทธกาลอย่างพวกทัพภวคีพวกหกนะผิดพระวินัยมากที่สุดเรื่องอภิสมาจารย์นะเรื่องศีลและวินยัยแต่พอพระพุทธเจ้าห้ามแนละท่านหยุดนะอันนี้น่ า, นาชมเชยน่ายกย่องน่าเชิดชูบูชานาใจของท่านในเมื่อพระพุทธเจ้าห้ามสิ่งนะันท่านหยุด แล้วก็ทําตัวอื่นอีกพอทำตัวอื่นอีกพระพุทธเจ้าห้ามอีกยุดอีกถ้านเราไปอ่านในไปศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเราจะเห็นได้อผักจานวนหัวแหลมจริงจรือ้อจริงๆเองฉลาดจริงๆแต่ว่าฉลาดคล้ายๆกับไม่รู้ว่ามันพิษทําพอทํากันพระพุทธเจ้ า, จาบัญญัติท่านก็ยอมรับไม่ทําอีกในเรื่องนั้นเนี่เขาว่าไม่ทําอีกในเรื่องนั้นนะ่ะพวกเราได้ฟังแล้ว ห น, น้ายกย่องเในน้ําใจของท่านท่านจะไม่ทําความผิดเมื่อท่านรู้แล้วว่าเป็นความผิดจุดนั้นที่เราเชิดชูบูชานะแต่ว่าการกระทําออกไปนั้นเอออันนั้นคือต้นบัญญัติต้นบัญญัติของวิไนนี่แหละเรื่องวิไนแต่เรื่องธรรมแต่หลวงพ่อเนี่ยไปอยู่กับศึกษาพระองค์หลวงตาก็ดี หลวงพ่อเองก็ดีอยู่ที่วัดนี้ลูกหลานก็คงจะดูว่าหลวงพ่อจะเน้นเรื่องภาคปฏิบัติมากกว่านะสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้แนวความคิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวเรื่องหลักพระธรรมวินยัยเรื่องสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยพูดเรื่องสมาธิก็จริงอยู่ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็อธิบายเรื่องนี้สมาธิคือความตั้งใจมั่น ถ้าใหนจะบายเรื่องสมาธินี่น้อยมากนะท่านนี่ขณิกาอุปจาระอัปปนาในเรื่องนิบ็ตเรื่องจิตใจมันคิดเรื่องอะไรเนี่ยตัวนี้เน่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้นําชี้แนะแล้วทําให้หลงทางได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานอย่างพวกเราเนี่ยอย่างสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบวัวครูบาอาจารย์ต่างๆเราจึงเรียก ครูบาอาจารย์บอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแค่ว่าพ่อแม่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์ด้วยท่านแนะนําทั้งเกี่ยวกับเรื่องศีลและวินัยเรื่องจิตตภาวานาเรื่องจิตตภาวานาเนี่ยสำคัญสําคัญมากๆนะเรื่องจิตตภาวานาถ้าไม่มีครูบาอาจาย์ผู้บาอาจารย์เป็นผู้ชีน้นาชีแ้แนะแล้วทําไม่หลงทางได้ไง่ายๆเพราะนั้นเรื่องเรื่องธรรมเรื่อง จิตตภาวนาจุดนี้นะบางทีก็ตัวเองว่ามันทำถูกส่งไปเห็นเทวบุตรเทวดาท่านว่าเยานะเป็นบ้านนะอย่นะางนี้เป็นตน้นถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำนะบางทีกันทำให้เนื่นช้าหลงทางได้ไง่ายๆเพราะนั้น เ, เราจึงเข้าไปศึกษาและก็ฝังแนวทางที่ท่านได้เดินผ่านไปแล้วท่านรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนจากนั้นท่านก็แนะนาวิธีการปฏิบัติให้กับเรา พวกเราก็เดินแนวแถวปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงที่ท่านแนะนําสั่งสอนเพราะนั้นกรรมฐานเนี่ยจึงให้ความสําคัญในพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ของตนเองที่ให้คําความรู้เกี่ยวกับภาคเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาคปฏิบัตินะเพราะนั้นในพระวินัยเราเรียนอย่างเราเรียนศึกษาดูกฎระเบียบในพระวินัยมี ท่านจึงไม่ได้เน้นสอนมากเพียแต่ให้เคารพเนอให้เคารพในศีลและวิ น, นัยเนอะเพราะฝงตาบัดเล็กๆน้อยๆนะมันเป็นผงธุลีถ้าหากว่าพวกเราไม่เคารพอาบัตเล็กๆน้อยๆนะทำให้จิตใจของเรามัวหมองนะให้จิตใจเศร้าหมองนะเหมือนกับตาของเราฝุน่นละอองเข้ามาในตาของเราทําให้ตาของเราฟ้าฝ่างนะเพราะท่านพวกเราจะทาผิดวินัยเนอะ อันนี้ท่านจะเตือนเพียงแค่นั้นนะแต่ส่วนอาบัติเล็กๆน้อยๆนะให้พวกเราให้พวกเราศึกษานะสมัยก่อนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านไปที่ไหนท่านโถกตะภายไปมาหาขันเล่มหนาๆหลวงพ่อก็เคยเห็นนะปกแข็งๆหน า, น า, นาประมาณเกือบสองนิ้วสองนิ้วกว่ า, วานะสองนิ้วฟุตนะความหนา น, นะความใหญ่ประมาณเป็นฟุต เนาเนะีปกแข็งนะตัวหนังสือก็นั้นนะอยู่ในนั้นมีแต่พระวินัยทางมดก็ขล่อนมหาขันนะหลวงพ่อยังเห็นแต่เดย้หายไปแล้วบุพนะสิกขาบุพสิกขามหาคันสมัยพระโบราณรุ่นเก่ารุ่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าสมัยนั้นนะหลวงพ่อยังทันเห็นอยู่แต่เดี๋ยนี้ไม่มีแนละ้วลูกหลานนะ มหาการพูดละเอียดมาก เ, เรื่องต่างๆ เ, เรื่องวินยนะัยโดยมาจะเน้นเรื่องวินยัยมหาคารบุพพสิขากวินยัยเกี่ยวกับศินสองร้ี่สิบเจมาบุพพสิขานะจากนั้นทั้งกับเรื่องธรรมทั้งกัอ่านเรื่องพิสุทธิมักนะสมัยก่อนหนังสือไม่ค่อยมากนะไม่เหมือนทุกวันนี่ทุกวันนี่มีหนังสือพระไตรไปิฎกโกลควานะ้าเนี่ยมีมากโกลคว้า ประไตรปิฎกของสยามของกรงการศาสนาะของมหาเมกะของปุ้ยแสงสายสอธรรมพักดีเหล่านี้นะมีมากนักพระไตรปิฎกทุกวันนีงมีทั้งพระบาลีด้วยบาลีพูดเป็นบาลีทั้งหมดในประไตรปิฎกก็มีในวัดของเรานี่นเราจะค้นคว้าศึกษา ในพระไตรปิฎกก็ได้แต่หลวงพ่อจีบมาพูดให้พระลูกพระหลานฟังไอ้หยึดหยิบยึ่นเอาจุดที่ที่จําเป็นสาคัญที่พวกเราจะได้ปฏิบัติจะได้นําปฏิบัติเห็นได้จึงได้ น, นํามาจุดที่ที่หลวงพ่อได้ค้นคว้าศึกษาดูแล้วนะมาบอกให้เป็นแสดงว่าบอกนักษณะว่าหญ้าปากคอกลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษา แต่ส่วนลึกเข้าไปในพระวินัยนะให้พวกเราเอาไปอ่านเล้นะเอาไปอ่านเอาไปศึกษาเรื่องวินัยจำเป็นสำคัญศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรัฐาคตยังอยู่ตราบตราบนั้นหนะลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกนะ เ, เมื่อเราตรัาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตร า, อาของพวกเธอทั้งหลาย ของพวกท่านทั้งหลายใครเข้าทำวินัยเป็นสาจจะแทนพระพุทธเจ้าเพราะนั้นให้พวกเรานับถื อ, อทำคําสอนของพุทธานั่นแหะเป็นศาสจะเป็นศาสนาพวกนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดว่าพวกท่านไม่มีศาสดาไม่มีพระศาสนาไป ม, มีพระศาจจะเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดา ให้พวกท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือนี่ยแหละถ้าว่าพวกเราไม่เคารพในพระวินยัยในธรรมและวินยัยในศีลและวินัยกับเราก็ไม่เคารพในศาสตร์สาน ะ, ะถึงจะเป็นศักกิบุตรก็จริงอยู่เป็นศักยบุตรนอกคอกแวกแนวไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไม่มีฮิริคือความละอายอตบปะคือความกลัวตัวบาปไม่มีเป็นอารชีไม่มีอย่างอาย ไม่มีความเอื้อเฟื้อในธรรมและวินัยไม่น่าจะถูกนะพระลูกพระหลานนะอันนี้วันนี้เป็นวันอุโบสถหลวงพ่อ ก, กล่าวเรื่องศีลและวินัยให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะต่อนนี้ไปสว่างนะสุดท้ายปฏิโมกขันธ์นี่นะ